ที่ประเทศอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้เขาก็มีรายงานผลการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจมากเขาทำกับผู้คนประมาณ4 0 0 0 0 0ห 0,000 คนใช้เวลาติดตามต่อเนื่องเป็นเวลา13ปีคนที่เขาติดตามนี่ก็อายุเฉลี่ยก็57ปี สิ่งี้เขาสนใจคือว่าอยากจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนหรือเรียกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็พบข้อสรุปเขาได้ข้อสรุปที่น่าสนใจมากก็บอกว่าคนที่อยู่คนเดียวหรือรู้สึกอ้างว้าง หรือว่าไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเร็วกว่าคนทั่วไปนะหรือคนกลุ่มอื่นเขาก็ถอดมาเป็นตัวเลขเลยนะเช่นคนที่อยู่ลําพังเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยเช่นลูกหลานหรือ สามีภรรยาอาจจะเป็นเพราะแยกทางจากกันหรือเพราะว่าร่วมหายตายจากกันมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็ตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปเนี่ยสี่สิบปดเปอร์เซ็นสะี่แปดเปอร์เซ็นตนะก็สูงนะส่วนคนที่ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยไม่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติเนี่ยแม้จะมี คนอยู่ด้วยในบ้านนะแต่ไม่มีใครมาเยี่ยมนะจากที่อื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปเนี่ย5ามเปซ็นตอมเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะซึ่งมันเชื่อ เ, เลยนะว่าการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยหรือความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมีผลต่อสุขภาพมาก แล้วยิ่งถ้าเกิดมีใครเนี่ยนะที่นอกจากอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแถมไม่มีคนมาเยี่ยมอีกนะสองปัจจัยบวกกันเนี่ยมีโอกาสที่จะตายมากกว่าคนกลุ่มอื่นเนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ย 70% กว่ารซรวมทั้งมีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคโรคหวัวใจ โรคหลอดเลือดสมองหรือเรียกว่าสตร o เนี่ยนะมากกว่าคนทั่วไปด้วยมึงเขาแยกแยะ ก, กันได้ชัดเจนขนาด น, นี้นะคือว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวแต่ยังมีเพื่อนมาหาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตายนะ48เพราะโรคหัวใจนะตายหม้ว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นมากคนกลุ่มอื่นใน48 แต่ถ้าอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะที่จะตายก่อนคนกลุ่มอื่นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เพราะโรคหัวใจนี่แหละหรือเพราะโรคหลอดเลือดสมองที่เขาเรียกสตรคกเนี่ยที่ทำทให้อำมาพื้นอำมาผาหรือเส้นในสมองแตกเนี่ยามันเชื่อเลยนะว่าความสัมพันธ์เนี่ยทางสังคมเนี่ย หรือการมีคนแวดล้อมรู้จักเนี่ยนะมีผลต่อสุขภาพมากสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตใจเลแล้วจิตใจก็สัมพันธ์กับว่าเรามีเพื่อนมีมิตร ม, มีสหายมีครอบครัวแวดล้อมอยู่ด้หรือเปล่านะแล้วเขาก็บอกนะเขาศึกษากว่าถ้าหากว่ามีคนมาเยี่ยมนะ ถ้ามีคนมาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเนี่ยอย่างน้อยเดือนละครั้งเนี่ยมันช่วยลดการตายเพราะโรคหัวใจได้ไม่น้อยนะแค่มีคนมาเยี่ยมเดือนละครั้งเนี่ยจะเป็นเพื่อนจะเป็นญาติก็ตามคนที่ได้รับการเยี่ยมเนี่ยจะอยู่คนเดียวหรือแม้แต่อยู่กับครอบครัวเช่นสามีภรรยาหรืออยู่กับลูกเนี่ยก็มีความหมายนะ เขาก็สงสัยว่าทำไมเนี่ยในการที่มีเพื่อนมาเยี่ยมมีครอบครัวมีญาติมาเยี่ยมเนี่ยมันช่วยลดการตายก่อนวัยอันควรได้เขาก็คิดว่าคงเป็นพ่อบ้านเนี่ยคนที่อยู่คนเดียวหรือไม่มีใครมาเยี่ยมเนี่ยคงเหงาพวกนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเข้าหาบุหรี่หรือว่าเหล้ากินเหล้ามากสูบบุหรี่มากก็ทําให้เป็นโรคหัวใจ มีโอกาสตายเพราะราโลหิตใจมากขึ้นจากนี้ถ้ามีคนมาเยี่ยมน ะ, ะเขาก็ช่วยทักช่วยทวงช่วยเตือนว่ากินเหล้ามากเป็นล้วสูบบุหรี่มากเป็นแล้ ว, รลวหรือบางทีเห็นว่าร่างกายยมยาก็พาไปหาหมอก็ทําให้มีโอกาสที่จะรอดตายหรือว่าได้รับการเยียวยารักษาก็หมออย่างง่ายนี้นะว่า การที่มีคนมาเยี่ยมเนี่ยมันช่วยทำให้คนแก่เนี่ยที่อยู่คนเดียวเขามีพฤติกรรมที่เสี่ยงน้อยลงนะจริงจริงถึงแม่จะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะแค่ความเหงาอย่างเดียวนี่มันก็บรนทอนจิตใจนะก็ทำให้ย่ำแย่ได้หรือตอมใจตายได้ แ, แน่นอนนะคนส่วนใหญ่พอเหงาพอทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ต้องไปหาทางดับทุกข์ด้วยวิธีง่ายๆก็คือกินเหล้าสูบบุหรี่นะ <S <S ซึ่งก็ทําให้ร่างกายย่าแย่ลงพระเจ้าอย่เคยสอนนะธรรมะข้อหนึ่งนะชื่อว่าอายุวัฒนธรรมคือธรรมะที่ทําให้อายุยืนเนี่ยมี5ข้อข้อหนึ่งก็คือการมีกิริยนมิตรนะนการมีกรมิริยนมิตรหรือมีเพื่อนเนี่ยมันช่วยทําให้อายุยืดจ้ะ เพราะว่าเพื่อนนี่ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยตักช่วยเตือนช่วยทักท้วงเวลาผิดศีลผิดธรรมเวล า, าไปเข้าหาเรา่เข้าหายาเสพติดหรือทักท้วงให้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นจนกระทั่งคนเขาขับแคนมาแก้แค้นแต่แค่เพื่อนนี่มาพูดมาคุยมาเยี่ยมมาเ ย, ยนี่มันก็ช่วยทำให้จิตใจเบิกบานนะ ก็ทำให้มีอายุยืนได้อันนี้ผู้จัดตัดไว้นานแล้วนะว่าเพื่อนเนี่ยกรียนนมิทเนี่ยช่วยทําให้อายุยืนในงานวิจัยนี้ก็ชื่ให้เห็นเล้วนะว่าเพียงแค่มีเพื่อนมาเยี่ยมเดือนละครั้งมีญาติมาเยี่ยมเดือนละครั้งเนี่ยสําหรับคนแก่นะไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับครอบครัวก็ตามนี่มันช่วยเขาได้เยอะเลยช่วยทําให้ สุขภาพดีขึ้นหรือย่ำแย่น้อยลงช่วยทำให้ตายช้าลงหรือไม่ตายเร็วกว่าคนทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหานะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะในอังกฤษนะแต่ว่าประเทศอย่างบ้านเรานี่มันก็มีนาโนไม่สูดจุดนั้นนะถึงแม้เราจะยังไม่เหงาแบบเขาคนระอบครัวก็ยังมีลูกมีหลานแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานค่อลดน้อยถอยลง ไม่ใช่น้อยอย่างเดียวนะไปอยู่ที่อื่นด้วยแนวโน้มก็จะเป็นอย่างนี้ชนต้นแบบก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องอต่อไปสังคมคนแก่ก็จะมีคนเหงามากขึ้นเั็นการที่ไปเยี่ยมไปเยื้มไปเยี่ยมไปเยือนกันนะมันนี่มีส่วนช่วยให้คนที่เราไปเยี่ยมนี่เขามีสุขภาพดีขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่คนมักจะไม่ค่อยตันหนังเท่าไหร่